เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งธรรมบุฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อาภิปุลโนจากวัดบ่าดอนหายโศมาพบกับธรรมบฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาที่เรามาพบปบพูดคุยเจอเจอกันนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะนำมาให้ธรรมบุฟังได้ฟังอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดเลยเนี่ยนะคือคำสอนของพุทธ ซึ่งมาทั้งในรูปแบบของบทเพีชนะที่เป็นของท่านเลยที่มีการเก็บรวบรวมโดยเหล่ากุลบาอาจารในยุก่อนไว้ในคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกหรือว่านําสิ่งที่เป็นในเรื่องของอัตถเพยียญชนะอาจจะแปลมาใช้บทเพยียนชนะที่แตกต่างกันไปแต่มีความหมายที่เข้ากันได้ลงกันได้ ในเรื่องของคำสอนของพุทธมีทั้งสองส่วนต้องฟังทั้งส่วนที่เป็นอัฏฐะส่วนที่เป็นพยัญชนะเมื่อเรารู้อัฏฐะรู้พยัญชนะดีแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดความมั่นใจมีความมั่นใจแล้วมันจะทำให้เกิดการปฏิบัติมีการปฏิบัติแล้วจะทําให้มีผลกิเลส ข, ของเราในใจมันลดลงไปลดลงไปด้านมืดมันน้อยลงด้านสว่างมันมากขึ้น มันก็จะไม่ให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นคําว่าชีวิตดีขึ้นนั้นมองได้หลายด้านตั้งแต่ังเรื่องของทรัพย์สินเงินทองข้าวของชื่อเสียงยศตําแหน่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่เราก็ยังเคยเห็นตั้งแต่ังคนที่มีลาบยศชื่อเสียงเงินทองมีหน้ามีตาเนี่ยบางทีเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่ในใจเขาก็ยังมีความทุกข์มีเงินมากก็บางทีก็ทุกข์ มีชื่อเสียงบางทีก็ทุกข์แสดงว่าความทุกข์นี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงเงินทองลาบเกียรติยศพวกนั้นเราก็ยังเคยเห็นคนที่ไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากนไม่ได้มีชื่อเสียงคนไม่ได้รู้จักมากแต่คนแบบนี้เขาก็มีความสุขแบบชินิตีโหเห็นแล้วเขาก็มีความสุขของเขาเออแบบนี้ก็มีแต่แสดงว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากทรัพย์สินเงินทองภายนอกเพียงอย่างเดียว อันนั้ความสุขมาให้ได้อยู่อันนี้เราทราบกันอยู่เป็นความสุขที่เกิดตังตาตังหูอันนี้ธรรมดาแต่มันมีความสุขประเภทที่ถ้าเมื่อกิเลสในใจของเราลดลงไปลดลงไปแล้วเนี่ยมันมีความเผารนเร่าร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาของกิเลสลดลงลดลงความสุขตัวนี้มันมากขึ้นมากขึ้นมันอยู่ในใจมันอยู่ในใจจะมีเงินมากจะมีเงินน้อยถ้ามีความสุขในใจแบบนี้มีความสุขแน่ มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราเราสร้างเราทำให้เกิดขึ้นได้จากการฟังธรรมนี่แหละธมูฟังฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังธรรมอยู่ต่อเนื่องฟังแล้วมันจะทำให้เกิดการปฏิบัติได้เกิดความเข้าใจทำการปฏิบัติในใจของเราเนี่ยให้มันดีให้มันสูงขึ้นได้แต่ในการที่ทรามบูฟังฟังเนี่ยแน่นอนบางทีมันก็อาจจะมีคาถามข้อสงสัยหรือประเด็นใดๆที่ต้องการสอบถาม ก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปเสนยบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปเสรีหนึ่1หนหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เปียวธรรมะ m p u r e d h a m m a c o m ก็จะนำคำตามของท่านผฟัง ที่ส่งกันมาจะเป็นเรื่องคำถามการแบ่งปันข้อมูลในทางธรรมะหรือว่าเรื่องใดๆก็สามารถติดต่อกันมาได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะี่ยก็มีธรรมูฟังหลายท่านนะมาพบที่วัดป่าอนหายโชกแล้วนะก็มีครอบครัวของคุณพยาบุญล้ออันนี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีคุณพยาบุญล้อ ก็มีคุณเสดิการบุญล้อแล้วก็ครอบครัวอีกหลายคนมาจากจังหวัดกาญจน บ, บุรีล้วก็มีทั้งบูฟังคือคุณสุดาแต่คุณสุดานี่อยู่ที่หนองหารอุดรธานีนี่เองจะมีทั้งบูฟังที่มาจากจังหวัดน่านด้วยนั่นคือคุณวันดีภูมิสว่างอันนี้มาจากอาเภอภูเพียงจังหวัดน่าน แล้วก็มาพบปะเจอเจอกันได้รับซีดีกันไปสอบถามคําถามต่างๆแต่การพบปะสมณะนี่ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งทั้งบ้างจะพบปะด้วยการพบหน้าค่าตาหรือว่าพบปะกันทางวิทยุอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาวันนี้เราก็มีคําถามของคุณแอนส่งมาทางหน้าเว็บไซต์คุณแอนถามว่าอยากทราบความหมายของคําว่าโพธิสัตว์ ซึ่งหมายถึงผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นใช่หรือไม่เอาสับคํานี้ก่อนท่านผู้ฟังโพธิเนี่ยก็คือการตรัสรู้ในความรู้ความจำแจ้งความแบบพุทธะพุทโธขึ้นมานี่นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้คือโพธิส่วนคําว่าสัตว์นะสัตว์ในที่นี้มีสองความหมายท่านผูฟังสัตว์ตวะหรือสัตว์เนี่ยในความหมายแรกที่เราเข้าใจเข้าใจก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเอง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์บกสัตว์น้าพวกนี้คือสิ่งมีชีวิตอันนี้คือความหมายที่1ในความหมายที่สองอันนี้เป็นความหมายที่ใช้รากศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลีมาจากภาษาสันสกฤตด้วยนั่นก็คือความหมายคาว่าข้องผู้ที่ยังข้องอยู่ผู้ที่ยังติดอยู่นัพระพุทธเจ้าอธิบายศัพท์คำนี้ในพระสูตรที่ตรัสกับปิกษุ ที่ชื่อว่าราธะอนะธิบายถึงการที่ยังไปค่องอยู่ในรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าสัตวนะ์สัตว์จึงหมายถึงความเป็นผู้ค้องอันนี้ก็อธิบายความหมายในความหมายที่สองตรงนี้เพราะฉะนั้นในบริบทที่มาใช้กับคําว่าโพธิสัตว์เนี่ยก็คือผู้ที่ยังค้องอยู่ในโพธิยังค่องอยู่ในโพธิญาณจิตมันจะไม่รวมไม่วางมันจะแบบยึดเอาไว้ยึดความที่ฉันต้องการเป็น สัมมาสัมพุท ธ, ธะยึดในความที่ฉันต้องการเป็นพุโทโธตรงนี้ให้ได้แต่เพราะนั้นคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะหมายถึงคนที่แบบต้องการมีโพธิญาณลักษณะที่เป็นจะเป็นปัจเจกพุท ธ, ธะหรือเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะต่ซึ่งพุทธะนี่มีอยู่สประเภทนะอันดับแรกก็คืออนุพุท ธ, ธะอนุพุท ธ, ธะนี่ก็คือแบบตรัสรู้ตามผู้ที่บอกสอนมาอันนี้เขาจะไม่ได้เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์นะ เขาจะเรียกว่าเป็นสาวกคนประเภทนี้ที่เป็นอนุพุทธนะนั่คืออนุพุทธะเนีย่ยตรัสรู้แล้วตามสัมมาสัมพุทโธเมื่อตรัสรู้แล้วก็จึงเรียกว่าเป็นอนุพุทธะแล้วถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังฟังคําสอนของสัมมาสัมพุทธะอยู่อันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นสาวกนั่นจะริงๆสาวกนี่ก็รวมทั้งหมดละทั้งที่ยังไม่ตรัสรู้ทั้งที่ตรัสรู้แล้วแต่ถ้าฟังคําสอนของสัมมาสัมพุทโธองค์ใดองค์หนึ่งก็เรียกว่าเป็นสาวก ทีนี้ในระดับที่ต่อมาก็เรียกว่าเป็นปัจเจ ก, กพุทธะหรือปัจเจกพุทโธก็คือผู้ที่ต้องการจะบรรลุได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโพ ธ, ธิสัตว์เหมือนกันแต่ว่าโพธิในลักษณะที่รู้เองเป็นปัจเจกเองแต่ไม่ได้สามารถสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามได้อาจจะสอนคนอื่นอยู่แต่ว่าคนอื่นนั้นเขาจะตรัสรู้ตามไม่ได้เนื่องจากว่าปัจเจกพุทโธเนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถในร่องการสอน มากเท่าสัมมาสัมพุทโธจะไม่ได้รู้ถึงอินทรีย์ที่อ่อนที่แก่ของสัตว์ที่ตัเองไปสอนนั้นและก็เลยสอนให้ตรัสรู้ตามไม่ได้แต่ว่าคําว่าโพธิสัตว์ที่จะใช้กับปัจเจกพุทโธเนี่ยจะมีน้อยแต่ส่วนใหญ่คาว่าโพธิสัตว์เนี่ยใช้กับบุคคลที่ปรารถนาสัมมาสัมพุทโธจำฝังสัมมาสัมพุทโธก็อย่างพระพุทธเจ้าของเราสมันัโอดมแต่เป็นผู้ที่ตรัสรู้ชนิดที่สมบูรณ์แบบมียานอย่างรู้อะไร ที่พิเศษกว่าอนุพุธโธพิเศษกว่าคนที่ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเขาจึงเรียกว่าโพธิสัตว์เพราะว่ายังคล่องอยู่ในโพธิญาณซึ่งโพธิญาณเนี่ยก็คือญาณของคนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นสัมมาสัมพุทโธนั่คือเป็นตําแหน่งที่คุณต้องมีความสามารถไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเส้นมาเขาก็จับยัดคุณนั่งในตําแหน่งสูงๆเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหาร แต่ความสามารถไม่มีบางทีเราก็เห็นกันอยู่ในสังคมใช่ไหมแต่ว่าคนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยคุณต้องมีโพธิญาณตรงนี้แต่คุณต้องมีความสามารถตรงนี้คุณถึงจะมาดํารงตําแหน่งนี้ได้ซึ่งความสามารถที่เรียกว่าเป็นโพธิญาณเนี่ยมันไม่ได้ว่าเก็บสะสมกันชาติเดียวเพราะฉะนั้นบุคคลที่เขายังคล่องอยู่ในโพธิญาณเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลในการที่จะทําจิตใจที่พร่องอยู่ ให้มันเต็มขึ้นมาอะไรยังพร่องอยู่ก็ภวิญญาตรงนี้มันยังไม่เต็มแต่ความสามารถมันยังมีไม่พอแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องญาณทัศนะ์สมาธินี่ต้องเข้าออกได้อย่างคล่องแคล่วทั้งเดินหน้าถอยหลังทานนี่ต้องให้อย่างชนิดไม่มีประมาณไม่ใช่แค่เฉพาะสิ่งของภายนอกอยังรวมถึงของภายในสละชีวิตเรื่องของศีลนี่จะต้องแบบเอาชีวิตเข้าแลก ต้องมีดราม่าในการที่จะมีจิตใจตั้งมั่นในเรื่องของศีลเรื่องของการให้ทานเรื่องของสมาธิปัญญาเนี่โอ้หต้องเต็มทั้งหมดเลยแต่ใช้เวลานานมากในการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลในที่ยังคล่องอยู่ในโพธิญาณในช่วงที่กําลังสร้างบารมีเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์แต่ซึ่งโพธิสัตว์ก็จะแยกเป็นสองส่วนดัมโบฟังที่คุณแอนตามถึงว่า หมายถึงผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นใช่หรือไม่แต่โพธิสัตว์บางคนก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะำคำว่างือเพราะมันไม่แน่มันยังไม่แน่ทําไมถึงที่เรียกว่ายังไม่แน่แต่ก็โพธิสัตว์ก็มีสองประเภทนี่แหละที่ว่าแน่นอนแล้วกับที่ยังไม่แน่ในที่แน่นอนแล้วเขาก็จะเรียกว่านิยตะโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนยังไม่แน่อันนี้อาจจะแบบอาจจะไม่ได้หรืออาจจะเลิกกลางคันเลิกในระหว่าง ก็เรียกเป็นอนิยตะอ น, นิยตะก็คือมีความแน่นอนล่ะเอาแล้วจะรู้ได้ไงว่าแน่นอนแล้วก็ต้องพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พยากรณ์บอกไว้ในอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้นะพระสมณโคโดมเนี่สมัยก่อนๆที่จะตรัสรู้เนี่ยเรียกเป็นโพธิสัตว์ถูกไหมก่อนๆ น, นู่นนานละก็ประมาณสัก20ประสงค์ขัยที่แล้วก็เป็นโพธิสัตว์แบบปรารถนาความเป็นสมาสมาสสำพุทธเจ้าขึ้นมาจากการที่พา มารดาข้ามหาสมุทรแลคือเดินทางในเรือสำเภาแล้วเรือสำเภานี่แตกกลางทางนะบุฟังแล้วก็มีแม่ไปด้วยก็พยายามที่จะแบกแม่ขึ้นบาแล้วก็พยายามที่จะว่ายน้ําเพื่อที่จะไปสู่ฝั่งให้ได้ในขณะที่ว่ายน้ําอยู่พยายามจะจมลงไปแล้วก็แบบฮึดขึ้นมาจะต้องพายถึงฝั่งให้ได้ในจังหวัดนั้นเนี่ยก็มีพรมมาดนใจแต่ว่าเอางั้นให้ปรารถนา สัมมาสัมพธิยานจ้ะแต่ทำไมพรมถึงมาโดนใจเพราะว่าตอนนั้นสวรรค์ในชั้นสุทาวาสเนี่ยมีเทวดาที่เป็นพรมที่เป็นอนาคามเนี่ยลดลงมากพอมีจำนวนน้อยลงก็รู้แล้วว่าโลกเนี่ยว่างจากพระพุทธเจ้ามานานละก็เลยมาใส่เมล็ดพันธุ์แห่งโพธนะิในจิตใจของคนให้มีการปรารถนาสัมมาสัมพุท ธ, ธะนะมากขึ้น เราก็เห็นบุรุษคนนี้ที่กําลังว่ายน้ําพามารดาเข้าสู่ฝั่งแต่ทางนั้นที่ไม่เห็นฝั่งเนี่ย <c oughs> ก็เลยมาดนใจให้เขาปรารถนาสัมมาสัพพุทธญาณโดยการตั้งเจตธิฏฐานและก็จึงปรารถนาสัมมาสัพพุทญาณมาตั้งแต่ตอนนั้นัใน ต, ตอนนั้นก็เป็นโพธิสัตว์ล่ะทําความดีได้มาก็ยังเป็นโพธิสัตว์ประเภทที่ว่าเป็นอนิยตะที่ยังไม่แน่นอนอาจจะเลิกได้ในระหว่างอาจจะแบบยอมแพ้ท้อแท้ท้อถอยไปยังมีความไม่แน่ไม่นอน หรือว่ายังต้องอีกนานแต่นี้พอทำบุญบารมีมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อสอสงไขยที่แล้วโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราองค์เนี้ยตอนนี้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยตอนนั้นเกิดเป็นพราหมณ์ที่ชื่อว่าส um ุเมตตาดาบทอันนี้เราคงจะเคยได้ยินมาแล้วก็ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าทีปังกรว่าในอีกสีอสงไข่ข้างหน้าท่านจะได้ตระหนักรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ตอนนั้ยังเป็นโพธิสัตย์อยู่นะแล้วสามาสงค์ไขที่แล้วเนี่ยผ่านมาอีกอสงค์ไขหนึงจากตอนที่รับการพยากร์นั่นก็ยังเป็นโพธิสัตย์อยู่แต่เป็นโพธิสัตย์ชนิดที่เราเป็นนิยตโพธิสัตย์ตละซึ่งความแตกต่างกันระหว่างโพธิสัตย์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วกับโพธิสัตย์ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณเนี่ยความแตกต่างกันก็คือว่าความแน่นอนละ่ะความแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้านี่มียานอย่างรู้ที่เฉียบแหลมเฉียบคมมากคนที่เป็นนิยตะโพธิสัตย์ คือแน่นอนแล้วก็คือจะแน่นอนละแล้วในความที่เป็นนิยตตาโพลิชัดเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉา น, น ก, ก็จะไม่เล็กไปกว่านกหรือไม่ใหญ่ไปกว่าช้างจะไม่ได้ไปตกนรกทีนี้ที่เราเป็นโลกันตาริกะนรกซึ่งเป็นนรกที่แบบยาวนานมากมืดมากเย็นมากแข็งมากจะอยู่นั้นๆานมากตกนรกอยู่แต่จะไม่ไปอยู่ตรงนั้นหรือถ้าจะขึ้นสวรรค์ ก, ก็จะไม่เป็นมหาพรหม ซึ่งจะมีอายุยืนยาวนานมากแต่จะวนเวียนอยู่ตรงนี้ตันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆแต่ยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกในภายหลังข้าพเจ้าจะนํามาเล่าให้ฟังแต่ที่เหมือนกันนะของพวกโพธิสัตว์ก็คือว่าจะไม่เกิดเป็นสุทาวาสพรมนั่คือพรมจะมีอยู่ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าชั้นสุทาวาสเราโพธิสัตว์ทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่ไปเกิดที่นั่ น, นเพราะว่าจะเป็นดินแดนของคนที่จะเป็นอนาคามีละก็จะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะของสาวก เพรา ะ, ะนั้นโพธิสัตว์เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นอนุพุทธะแน่จะเป็นสาวกอยู่ฟังคําสอนอยู่แต่จะไม่ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าในองค์คก่อนแต่จะเจอกันอยู่สร้างบุญบารมีอยู่แต่จะไม่ได้บรรลุธรรมในสมัยของพระพุทธเจ้าเราสมณโคโดมเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยนะคือโพธิสัตว์เนี่ยมาเกิดเนี่ยหลายคนมากแต่ที่เห็นชัดเจนแน่นอนโดยพุทธพจน์ พระพุทธบอกไว้ก็จะมีพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าเมตยะคือหมายความว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะชื่อว่าเมตยะเนี่ยนะก็มาบัตขึ้นเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราบวชแล้วก็ประพฤติปรมาจารย์นนแต่ไม่ได้บรรลุทาอะไรเพราะว่าเป็นโพธิสัตว์จะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะในการเบื้องหน้า น, นี่คือคําถามของคุณแอนในข้อที่1นึ่ในข้อที่2ก็ถามว่า ในกรณีที่สัตว์เดรัชา น, นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดในภพที่สูงกว่านั้นเกิดจากอะไรเพราะว่าสัตว์เดรัชานั้นไม่สามารถรู้ธรรมะได้แต่สัตว์เดรัชา น, นี่จะไม่สามารถรู้ธรรมะที่เรียกว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันเนี่ยเขาจะเป็นไม่ได้หรือจะไม่สามารถรู้ธรรมตรงนี้ได้จะไม่สามารถที่จะละสังโยชน์ได้เพราะว่ามันมันรัดแน่นมากมันผูกมากมันมีโมหะมาก แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําความดีไม่ได้แตู่ฝังสุนัขเนี่ยมันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอันนี้ก็เป็นความดีของมันหรือว่าสัตว์บางตัวก็รู้คุณเจ้านายของมันรู้คุณบางทีเอาอาหารมาแบ่งให้อย่างเงี้ยก็มีนะหมาบางตัวก็เก็บกระดูกไว้ให้เจ้าของเราเคยดูในสารคดีแมวน้ำนี่เอาปลามาให้นักประดาน้ำก็มีมีจีใจแบ่งปันอย่างเงี้ยมันมีอยู่คือโดยปกติแตาหมฝังโดยปกติ ความเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะเป็นพบที่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนะมีการเบียดเบียนกันอยู่เป็นประจำไม่มีการสร้างกุศลบำเป็นบุญไม่มีคําว่าไม่มีเนี่ยคือหมายถึงว่ามันไม่เหมือนมนุษย์ที่อามีการจัดปฏิบัติธรรมมีการใช้บาสไม่มีไม่ได้มีข้อปฏิบัติธรรมไม่ได้มีการมาไปจัดงานบุญอะไรอย่างนี้ไม่มีแต่แม่ก็เลี้ยงลูกนะแม่ก็หาอาหารมาให้ลูกอย่างเงี้นะแต่ พอมันโตขึ้นแล้วก็ทิ้งเงินไปในอย่างสุนัขงี้เป็นต้นแม่ให้นมลูกหาอาหารมาให้กินพอมันโตขึ้นมาถึงใ่เจริญพันธุ์อ่ามานันมองแม่อีกแบบหนึ่งแม่ก็มองลูกเป็นอีกแบบหนึ่งเงี้ยความเป็นแม่เป็นลูกมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเพราะมันมีโมหะมากแต่ว่าบางตัวก็ดีมีในบางตัวก็รู้บุญคุณในช่วยเหลือเกื้อกูลแบบฝึกได้ฝึกได้แล้วแต่ว่าตอนตายเนี่ยมันสําคัญในเพราะว่า ถ้าสัตว์เดรัจฉานี้ยังมีความยินดีในภพที่มันอยู่อย่านงะเช่นสุนัข ก, ก็จะยินดีในการที่มีเสียษอาหารกินมีเจ้าของมีเพื่อนเล่นมีตัวเมียแต่ถ้ามันยังยินดีตรงนี้อยู่มันก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ถ้ามันมีจิตใจน้อไปในทางอื่นนะเช่นว่าเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระอย่างนี้่นะมีเรื่องเล่ามาอยู่ในประเทศบิดกหลายๆเรื่องจะมาฟังสุนัขเนี้ย นึกถึงพระสงค์ตอนก่อนตายเอาไปเกิดเป็นเทวดาช้างเงี้ยช้างป่ารี้ระยะก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะจากไปก็ใจแตกแตกตายไปจิตสุดท้ายนั่นดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะว่าจิตใจระลึกถึงคนที่ดีระลึกถึงเรื่องที่ดียังไม่ได้เรื่องที่มีความคล่องเป็นโมหะพวกนี้หรือถ้ายินดีในกามอยู่มากเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในภพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแบบนี้ แตเทวดาเนี่ยจิตของเขาเนี่ยจะเน้นมาในเรื่องทานเรื่องศีลแต่คนให้ทานคนรักษาศีลเนี่ยไปเป็นเทวดาแต่เกิดอยู่บนสวรรค์เพราะฉะนั้นถ้าจิตของสัตว์นั้นเขาน้อมมาในเรื่องทานเรื่องศีลเห็นสมณะที่ดีเนี่ยเขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่จะมาตรัสรู้ธรรมเป็นโสดาบันสกทากามีนี้ไม่ได้นี่คือคําถามในข้อที่2ของคุณแอนคําถามตัดมาถามว่า อะไรเป็นเหตุให้เสื่อมศรัท ธ, ธาและอะไรเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาทําความเข้าใจในเรื่องของคำว่าศรัท ธ, ธาสนิษฐ์นหนึ่งคำว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยหมายถึงความมั่นใจความมั่นใจความมั่นใจในอะไรแต่เชื่อว่าคุณจะไปพูดในที่ประชุมชนเนี่ยนะคุณจะจับไมโครโฟนขึ้นพูดอย่างเงี้ยหวยมางคลไม่มีความมั่นใจแบบกลัวสัน่นมีความประมา่ามีความแบบกังวลใจ น, นี่คือคุณยังไม่มั่นใจใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่ามั่นใจแล้ว ฉันจะพูดได้ฉันมีเรื่องนี้จะพูดก็หยิบขึ้นมาพูดเลยพูดต่อหน้าที่ชุมชนได้อย่างเงี้ยอันนี้คือมีความมั่นใจลักษณะนี้แหละคือศรัทธาทีนี้ศรัทธาที่บอกว่าคือความมั่นใจเนี่ยมั่นใจในอะไรศรัทธาในอะไระเพราะตัวอย่างที่เรายกขึ้นเมื่อสักครู่นี้คือมั่นใจคือศรัทธาในเรื่องของการพูดต่อหน้าที่ชุมชนใช่ไหมอันนี้คือศรัทธาในอะไรนั่นคือศรัทธาในกระบวนการวิธีการของการปฏิบัตินั่นคือ ว่าถ้าทําแล้วเฮ้ยมันพ้นทุกแน่นอนแต่มีความมั่นใจในกระบวนการวิธีการตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าศรัทธาในประธรรมศรัทธาในการปฏิบัติมีความมั่นใจว่าเออถ้าทำแล้วจะได้เห็นผลจริงๆนะเห็นผลแน่นอนเพราะว่าคนอื่นเขาทําเขาก็ยังได้ผลฉันทําฉันก็ต้องได้ผลอันนี้คือศรัทธาในสงนั่นคือหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธาในผู้นําที่เป็นตัวอย่างเฮ้ยเขาทํามาเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ย สมณะโคดมเนี่ยทำมาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็ได้เห็นผลด้วยเรามีความมั่นใจตรงนี้อันนี้คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาเนี้ก็คือศรัทธาคือความมั่นใจในพุโทโธธรมโมสังโฆถามว่าความมั่นใจนี้จะเกิดได้จากอะไรพุทธเจ้าตรัสไว้จุดหนึ่งนะบ่าวังตรับอกว่าทุก์นี่เป็นที่ตั้งของศรัทธาได้แต่ทุกเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมที่มีทุก์เป็นที่ตั้งอาศัย กันต่ไปางนี้ศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมที่มีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยถ้าเราเจอความทุกข์บูมตรงนี้แหละถ้าศรัทธามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้อะไรมันจะเกิดได้ไงต้องมีปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาในการที่จะเห็นปัญหาก่อนปัญหาของอะไรก็ปัญหาเรื่องความทุกข์นี่แหละหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่ต้องกินข้าวแล้วไปห้องน้ํานี่เป็นทุกข์เจอความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์ได้ไงเออตรงนี้ต้องมีปัญญา แต่พอมีปัญญาแล้วเราจะมีความมั่นใจว่าโอ้ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้สอนไว้อันนี้มันถูกต้องมากๆเลยเราจะมีความมั่นใจแต่ความมั่นใจตรงนี้เกิดจากการที่เราใช้ปัญญานั่นเองทีนี้พอเรามีความทุกเป็นที่ตั้งของศรัทธามีปัญญาแล้วอย่างที่สองอย่างที่3มเนี่ยคือลักษณะของผู้นํานี่ก็มีส่วนมากแต่ก็มาผู้นําในที่นี้คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ย เขาจะมีสัพ์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าคาริสมามีพรสวรรค์มีบารมีมีความเป็นแบบลักษณะความเป็นผู้นําทําให้ผู้ที่เห็นแล้วเนี่ยมีความนับถือนะศรัทธานี้ก็เป็นลักษณะของความนับถืออย่างหนึ่งเหมือนกันโอ้นมั่นใจในคนนี้อย่างเช่นนักการเมืองมางคนอย่างเงี้ยนะมีลักษณะความเป็นผู้นําเราเห็นแล้วเราก็เชื่อสิ่งที่เขาพูดไอ้ความเชื่อความมั่นใจในสิ่งที่เขาพูดออกมาตรงเนี้ยนี่คือคือศรัทธาเหมือนกัน เพราะนตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วเหลือใครมาสืบทอดต่อคําสอนก็มีเหล่าหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามเฮ้เขาพูดเนื้อหาอะไรออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเออมันฟังดูมีเหตุผลนะฟังดูมันน่าเชื่อถือไงตรงนี้แหละเราก็จึงเกิดศรัทธาขึ้นเริ่มละมีการพัฒนาละจากความน่าเชื่อถือเป็นความเคารพเป็นความมั่นใจเป็นศรัทธาไปตามสายนี้ละซึ่งตรงนี้ก็คือกระบวนการของศรัทธา น, นั่นเอง นี้อะไรจะเป็นเหตุให้เสื่อมจากศรัทธาแล้วก็ปัญญามันน้อยลงแต่ปัญญามันน้อยทําให้แบบถูกจมอยู่ในกองทุกข์เนยเจอทุกข์อยู่แท้ๆตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของศรัทธาได้แต่ศรัทธาก็ไม่เกิดเพราะว่าปัญญามันอ่อนทําไมถึงปัญญาอ่อนแต่นะคือปัญญาอย่างน้อยเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเพื่อนดีที่จะมาแนะนําไม่มีเพื่อนดีมันก็เกิดศรัทธา ก, ก็ไม่ได้นล้วเพราะว่าถ้ามีก็ลยไม่มิด กัลยาณมิตรเนี่ยสามารถที่จะให้เกิดศรัทธาได้นะศรัทธาศีลจากข้าพัญญานี่มาจากกัลยาณมิตรก็ได้บางีกัลยาณมิตรเราได้มาจากความมีผู้นําดีเช่นพระพุทธเจ้าเห็นแล้วเกิดมีศรัทธามีความน่าเชื่อถือมีความเคารพหรือประสงค์รูปใดรูปหนึ่งอันนี้เป็นกัลยาณมิตรของเราได้แต่แต่ถ้าเขาปฏิบัติไม่ดีโอเข้าดูเหมือนปฏิบัติดีแต่เบื้องหลังเขาเป็นอีกแบบนึงเพราะวะาเลยคุณก็จะเสื่อมศรัทธาได้นะเพราะว่ากัลยาณมิตรเนี่ย มันไม่ดีทําไมจากที่มีศรัทธากับศรัทธาลดน้อยลงไปนั่นก็เป็นประวัติการปฏิบัติไม่ดีของกลัลยาณมิตรที่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุสองรูปได้เป็นเพื่อนเราคนไหนหรือว่าเข้าใจคําสอนไม่ดีคําสอนคือม้าแปเนี่ยก็เป็นกลัลยาณมิตรได้เหมือนกันคุณแดนถามมาในข้อที่4ี่ถามว่าถ้าเรามีความเพียรย่อหย่อนเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาความเพียรให้มีมากขึ้นได้ ศรัทธานี่ไงธรรมบุญังศรัทธาคือความมั่นใจเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดการทําจริงแน่แน่จริงความเพียรนี่คือการทําจริงแน่แน่จริงเป็นผลของศรัทธาโดยตรงเลยสมมุติว่าเรามีความเลื่อมใสแต่ก็ยังแบบกระอักกระอ่วนอีหลักอีเหลือในการที่จะทําจริงจังเนี่ยอันนั้นก็ไม่เรียกศรัทธาแต่ความรู้สึกที่แบบดีจังเลยโอ้หน้าเลื่อมใสแล้วก็แต่ยังไม่ปฏิบัตินี่นั่นเขาไม่เรียกศรัทธา อันนี้เขาไดศรัทธาหัวเต่าแบบไม่จริงจังแบบเป็นไปนในทางกามละ่ะเช่นเราเห็นบุคคลบุคคลหนึ่งโหเขาหล่อเขาสวยจังเลยกริ๊กลาสอย่างนี้นะอ น, นี่ก็ไม่ไม่ในทางกามละ่ะเป็นตทางตาทางหูละ่ะไม่ได้เป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นในใจเพราะว่าศรัทธาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของกามไงท่านฟังเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความามีบารมีเพราะเราเห็นตรงเนี้มันจะเกิดการทำจริงแ น, แน่จริงไม่ใช่ว่า คนที้เขารอหรือก็พูดดีแหม่เสียงไพเราะหรือว่าพูดมีเหตุผลแต่ว่าก็แค่แคล่ครวนแล้วทําให้เกิดความสนุกทางปัญญามันยังไม่ได้ทาให้เกิดการปฏิบัติแต่เพราะนั้นพอมีศรัทธาเนี่ยจะไม่เกิดเป็นความเพียรเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าแยกไว้ถึง10ขั้นตอนนี่แหละพอมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาเข้าไปหาแล้วก็้าไปนั่งใกล้ก็้าไปนั่งใกล้แล้วก็เงี่ยโสดลงเงี่ยโสดลงแล้วก็ได้ฟังธรรม ได้ฟังทำประสงจำธรรมนั้นให้ได้ทรงจำได้แล้วกว็ามาเครีครวญซึ่งธรรมเครีครวนซึ่งธรรมแล้วธรรมะนั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์ต่ต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วมันจะมีฉันทะมีฉันทะแล้วมันจะมีอุตสาหะตรงนี้ไงคือความเพียรคืออุตสาหะเนี่ยจะเกิดจากการที่เรามีศรัทธาไล่มาตามระดั บ, บนี้เราต้องจำธรรมะจำสิ่งที่เขาพูดบอกสอนเอาไว้เครีครวญแล้วมันจริงนะมันจะทำให้เกิดฉันทะความพอใจแล้วเกิดการปฏิบัติ คือการทาจริงแน่แน่จริงได้ซึ่งมันก็คือเรื่องของปัญญาอีกนั่นเองที่เรามาไคร์โกรนพิจารณาให้เห็นความจริงของมันก็คือทําศรัทธาให้เป็นศรัทธาจริงๆอ่ะไม่ใช่ศรัทธาแต่ปากอันไหนเขามา่เรียกศรัทธานะอันไหนเขาก็เรียกว่าความชื่นชมความเลื่อมสายไปเราจะพัฒนาตรงนี้ให้มันเป็นศรัทธาจริงๆให้เกิดการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ใช้ปัญญาตรงนี้ช่วยแต่ศรัทธาถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นอันนี้มันดีท่านผู้ฟัง แต่ถ้าศรัทธาแล้วไม่ได้มีสติควบคุมไว้ให้ดีเนี่ยศรัทธานี้ก็กลายเป็นความงมงายได้นะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยก็ถูกหลอกไปถูกหลอกให้เชื่อด้วยศรัทธาแต่พอศรัทธาชนิดไม่มีปัญญาเนี่ยทำจริงอยู่แต่ว่าการกระทํานั้นก็เป็นมิจฉาวายามะคือทําไม่ถูกทําไม่ชอบเป็นทําผิดผิดไปถูกเขาหลอกไปเนื่องจากมีกะลยละนัมิตรคือหมายถึงครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เขามานําพาเราไปเนี่ย ทีี่่ไมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติกุ ม, มไว้หรือมีปัญญามาคอยกํากับควบคุมไว้เนี่ยสถานนี้ก็กลายเป็นความงมงายไปได้ยึดติดในครูบาอาจารย์งมงายในเรื่องวัตถุงมงายเมาเรื่องของบุญไปอันนี้เราก็ต้องระวังในคําถามสุดท้ายของคุณแอนถามว่าการที่เราจะรักษาพระพุทธศาสนาพระพุทธประตรรมพระสงฆ์ตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยเราควรจะรักษาอย่างไร รักษาด้วยการปฏิบัติเนี่แหละธรรมบุญฝังหนังสือหนังหาอะไรเราเก็บไว้ในตู้นี้ก็ในระดับหนึ่งเป็นระดับเบื้องต้นระดับตั้งล่างเลยรักษาอันที่สองนั่นก็คือเราเอาสิ่งนี้มาอ่านมาทําความเข้าใจให้จําอยู่ในสมองเราได้อันนี้คือรักษาในระดับที่สองแต่รักษาในระดับที่2นี้ก็ยังเป็นเหมือนกับคนเลี้ยงโคเฉยเนีเลี้ยงโคไว้ให้เขายังไม่ได้เป็นเจ้าของโคจะเป็นเจ้าของโครจริงๆเนี่ยก็คือเอาธรรมะนี่มาปฏิบัติไม่ได้แค่ทรง จ, ำจำํำเฉย ไม่ใช่แค่เรียนเฉยแต่เอามาทําเอามาปฏิบัติเอามาบอกต่ อ, อามาสอนต่อทําเป็นตัวอย่างอันนี้เราก็จะเป็นเจ้าของโคได้รับรสชาติแห่งธรรมะ ด, ด้วยพอรับรสชาติแห่งธรรมะเนี่ยกินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยคืออร่อยอยู่ดีอยู่แต่ว่ามันก็อยากแบ่งกุญญ์หนึ่งกินด้วยใน ต, ตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาคําสอนที่ดีมากๆคําสอนนี้คือประธรรมที่มีลักษณะเป็นเอฮิปัสโกคือเชิญกุญญ์หนึ่งก็มาพิสูจน์เราเห็นแล้วเรารู้แล้ว ในบางส่วนบางเรื่องได้ลิมรสแห่งธรรมะแล้วเนี่ยรักษาในใจแล้ ว, ลวะนะศาสนาที่ก็กว้างขวางออกไปมันโดยการที่เชิญคนอื่นเข้ามาพิสูจน์ตัวนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นการรักษาคําสอนได้อย่างดีทีนี้เราต้องรู้จักแยกในส่วนที่เป็นสัตธรรมจริงๆกับสัตธรรมปฏิรูปให้มันได้ในส่วนไหนที่เป็นปฏิรูปขึ้นมาไม่ได้เป็นคําสอนของพุทธะจริงๆอะ่ะแต่เป็นเรื่องที่แต่งใหม่ละเป็นเรื่องที่นอกแนวไปละอันนี้เราต้องรู้จักแยกอย่กให้ดี นี้บางทีมันก็คล้ายๆกันแต่ส่วนที่เป็นคํนาอธิบายอันนี้เป็นเรื่องที่ดีละเราจะทําความเข้าใจให้ดีได้ส่วนเป็นเรื่องแต่งใหมอันนี้เราต้องรู้จักแยกแยะให้ดตีต้องเล่าเรียนกันมาให้ดีละ่ะทั้งเรื่องของบทเพียนชนะเรื่องของความหมายอย่าไปเหมาทั้งหมดว่านี้ใช่หมดหรืออันนี้ไม่ใช่หมดแต่ต้องมีการแยกแยะให้ดีเราจะต้องเป็นคนที่ว่า ง, ง่ายด้วยนะให้อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความครบหนักแน่น ให้มีความคล่องแคล่วในพระสูตรต่างๆทรงธํามทรงวินัยแล้วก็ให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังแต่พวกนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้พระธรรมตั้งอยู่ได้นานนะทุกฝั่งังมีนยัยยะอื่นๆอีกเช่นว่าเราปฏิบัติในเรื่องสติปัฏฐานสม่สัมปปทาน 4, 4อิทิบาทสอิน 4, 5, 5, 5, อ 7, ทรีย้าปลังหโพชฌงเจ็มาก8อันนี้ก็อยู่ในเรื่องการปฏิบัติเหมือนกันอันนี้พระบุตรเจ้าตรัสไว้ในช่วงก่อนการปรินิพพานวันนี้เวลาก็หมดแล้วทูกฝัง ถ้าเพื่อว่าท่านบุฟังยังมีเรื่องข้างคาใจอะไรก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ต้องการจะแบ่งปันสิ่งใดก็ตามที่อยู่แล้วก็เว็บไซต์ที่ได้แจ้งให้ทราบไปนั้นข้าพเจ้าพระมหาไพบุญพี่ปุณโ น, โนจากวัดป่าดอนหายโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันรุ่งนี้จริญปาน